เรื่องนี้ผู้บันทึกเหตุการณ์จากนายมิ่งคนเก่าที่เป็นนักเลงหวยกอขอสมัยโน้นนะคะที่ผจญกับปีศาจ ท, ที่ชอบหลอกหลอนนักเล่นหวยเที่ยวหาตัวหวยตามที่สงัดต่างๆซึ่งภาษาเก่าเรียกว่าพวกนั่งหวยค่ะเรื่องนี้อยู่ว่าที่ร้านสุราแห่งหนึ่งในตําบลยานนวาวามีผู้ดื่มอยู่หลายรุ่นทั้งรุ่นหนุ่มทั้งแก่กลางคนและก็เลยกลางคนไปแล้ว มีอยู่โต๊ะหนึ่งที่ขมักขเม่นในเลขท้ายลอตเตอรี่ค่ะถกเถียงกันที่ได้เลขมาจากอาจารย์แทงแล้วถูกกินบ้างบางรายแทงแล้วก็ถูกบ้างตามแต่โชคชะตาซึ่งความจริงนั้นนะคะอาจารย์ทุกๆอาจารย์ก็เพียงคาดหมายแล้วก็มั่นเอาเองในการหมุนเวียนแห่งตัวเลขว่าจะเดินวนเวียนมาบรรจบตามตำราที่วางไว้ แต่ว่าบางครั้งก็ผิดพลาดไปจากตำราผู้ถูกหวยกินก็บ่นกันไปตามระเบียบของผู้ที่พลาดจะโกรธเครื่องโชคชะตาของตนเองบ้างโทษเอาอาจารย์บ้างแต่ละคนหลงเอาแน่นอนกับความหมุนของเครื่องออกเลขซึ่งย่อมหมุนไปตามกําลังของไฟฟ้านะคะจะมีใครไปหยุดเอาเองได้ก็หาไม่แล้วแต่โชคก็ไปตรงเข้า ผู้เท่ามิ่งค่ะหรือว่าในมิ่งก็นั่งฟังอยู่และก็ทั้งเคยผิดพลาดในการแทงเลขท้ายมาแล้วเหมือนกันแกก็นั่งสั่นหัวแล้วก็ถอนหายใจยาวโอ้ฉันเองก็เล่นกับเขาอยางงั้นแหละทั้งที่รู้ว่ามันเอาแน่ไม่ได้ เทวมิ่งก็พูดขึ้นค่ะเราก็เราเก่งยากเพราะเจ้าลูกกลิ้งมันหมุนไปตามเรื่องของมันที่ไหนมันจะดนบันดันให้ได้เพลงๆเหมือนอย่างหวยกอขอโบราณผมก็นั่งดื่มสุราไปก็ฟังแกพูดพลางๆโดยผมนั่งอยู่กับเพื่อนอีกโต๊ะหนึ่งใกล้ๆกันหวยกอขอโบราณนนะ่ะขุนบานเป็นคนออกเขากับเขาคิดจัดออกตัวนั้นตัวนี้แกพูดต่อไปในโต๊ะของเราก็เลยมีผู้สนใจอยู่บ้างการใช้มือคนแท้ๆจับออกคิดออกนะ่ะ มันก็มีอาการอาจารย์เก่งๆนั่งทางในพอจะรู้กันก็เก่งใจกันออกถ้าอาจารย์เก่งๆบอกหวยให้มักไม่พลาดแกพูดข้อนี้ถ้าจะจริงชายกลางคนคนหนึ่งสนับสนุนเพราะว่าเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับคุณนะไอเรามันเป็นมนุษย์ธรรมดาจะไปเก่งไปสั่งอะไรมันกับลูกโม่ที่มันหมุนด้วยกําลังไฟฟ้าถ้ามันคนด้วยกันก็ย่อมมีอาจารย์ขลังๆนั่งชานบังคับเขาได้ดนใจให้ออกตัวนั้นตัวนี้ถูกเพราะเจียมพูดถูก พ่อเจียมพ่อรู้เรื่องนี้ดีพรอเท่ามิงออกปากรับรองการพูดของผู้สนับสนุนว่าถูกต้องสมัยหวยกอขอเราเองพอนั่งหวยเองได้ตามเกจิอาจารย์แนะนำโอ้ยฉันน่ะทำมาเสียทุกวิธีถูกบ้างกินบ้างตามเรื่องของมันแต่ที่ถูกกินน่ะไม่ใช่พิธีเขาพลาดนะจะบอกให้ เท่ามิ่งพูดแล้วก็ยกมือชูเข้าไปในวงสุดาให้ฟังที่หวยถูกกินก็เพราะว่าเราเองเกิดยักย้ายการแทงซะเองในตอนหลังเกิดไปคิดว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดียักเช้ายักค่ำฮ่าบางทีออกมาแล้วไม่ได้ซะเลยไม่พอกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงย้ายไปย้ายมาก็เลยเจ๊งกันไปคุณตาเคยนั่งยังไงครับนั่งหวยชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นถามพอเท่ามิ่งโอหลายวิธีนะัก ทำหวยนะ่ะในป่าช้ายังเคยไปเลยคุณเอ้ยบางแห่งเราเคยกัไปกันสองสามคนเมื่อสมัยโน่นหนุ่มๆด้วยกันใจเด็ดๆพอๆกันที่วัดเทพก็เคยวัดจางวางดิดจางวางพวงเอาทั้งนั้นวัดบางว่าก็ยังเคยเลยทับผ่าสีอ้อวปัโทโธ วัดเทพสมัยนั้นเปรี่ยวน่ากลัวหยอกเมื่อไรทางหลังวัดที่หลังเมนเดี๋ยวนี้นะเงียบน่ากลัวกลางวันแสกแยังหาคนเดินน้อยแทบนับคนได้ไม่คึกคักเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกฉันกับเพื่อนนักเลงด้วยกันนะคุณไปนั่งหวยกันจุดใต้ไว้ห่างๆแล้วก็ต่างคนต่างนั่งจุดเทียนกันว่าคาถาขลังตามแบบคาถาหวยไม่ใช่ไหว้พระไหวเจ้าอะไรหรอก อีกคืนหนึ่งหน้าที่ตรงนั้นมันรกหรือและเราก็ไม่มีเสือมีสัตว์อะไรปูเราก็นั่งพนมมือนั่งยองๆกันนั่นแหละโอ้ยคุณเอ้ยฉันถูกผีมันล้อมันเอามือมันล้วงก้นเอาขั้นแรกฉันก็คิดว่างูมันชูหัวมาโดนก้นฉันก็เลยโดดจนตัวลอยเทียนดับเลยแต่ใต้มันยังมีอยู่ก็เลยส่องพอจะเห็นเอ๊ะงูก็ไม่มีถ้ามีก็เห็นสิคุณจริงอยู่ฉันว่าที่ตรงนั้นมันรกหรือจริงแต่มันก็เป็นที่รกห่างตัวเรามาก ตรงที่เรานั่งกันนั้นเราเอาไม้ปาดปาดกันพอเตียนที่จะนั่งยองๆได้และไอการถูกล้วงก้นเนี่ยนะมันไม่ใช่ถูกแค่ฉันหรอกเพื่อน3คนก็ถูกด้วยกันเราก็เลยรู้ว่าเราเนี่ยถูกผีรบกวนซะแล้วก็เลยเลิกนั่งเก็บกระดาษเก็บถ้วยปูนกับขมิ้นที่ละลายน้าไว้ให้ผีเขียนตัวหนังสือกลับเท่ามิ่งหยุดดื่มสุดามันทาเท่านั้นเองเหรอลุง เท่านั้นและมันไม่รบกวนอะไรเรามากหรอกแต่เราก็ใจไม่ดีถือซะว่าเสียสมาธิก็เลยกลับกันแต่อีกวันนี่สิทอมิงชูมือประกอบคำพูดเราไปนั่งกันที่วัดสะเกตหน้าวัดนั่นแหละครับสมัยนั้นเรื่องวัดสะเกตแล้วก็มันแทบจะเป็นป่าช้าทั้งนั้นศพน่นเหรอทั้งฝังทิ้งให้แรงกากินเช่นศพนักโทษอย่างเงี้ยเชืดเนื้อให้แรงกากินที่เหลือก็ฝังไปอ้ยิ่งทางเมรุปูนนะ คือทางด้านถนนที่สายประตูผีนั่นแหละคุณแดนเชือดศพเชละสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีถนนนะคุณเป็นป่าช้าเราดีๆนี่เองสมัยที่เขาขุดทางทำถนนหัวกะโหลกออกเกลื่อนกลาดกันไปหมดวันที่เราไปนั่งกันนะคุณเราทำพิธีว่าขาถากันแล้วเราก็จุดเทียนปักไว้ วางกระดาษแล้วก็ถ้วยขมิ้นกับปูนวางไว้แล้วเราก็แอบบางต้นโพคอยอยู่เทอมิงหยุดพูดแล้วก็กระดิกนิ้วเรียกเจคให้ตักเหล้าโรงอีกแก้วออพิธีนี้ผมเคยได้ยินปู่ผมเล่าให้ฟังเหมือนกันหนุ่มในนั้นพูดแต่ปู่ผมบอกว่าทำพิธีแล้วก็วางกระดาษกับขมิ้นกับปูนทิ้งไว้เช้าก็ต้องไปดูว่าจะเขียนตัวอะไรไว้ให้ออแบบนี้ลาบากเทอมิงพูดฉันก็เคยทาแบบนั้นเหมือนกันคุณอ๋กินเรียบ ก็เพราะว่าไอ้ใครมันมาเห็นข้าวมันก็แกล้งเขียนให้ไว้เราก็เจ๊งไปเท่านั้นแหละก็เลยต้องนั่งคุมกันไว้แม้คุณเอ้ยคืนนั้นฉันกับเพื่อนนั่งคอยตั้งแต่หัวค่มจนเกือบ4ี่ทุ่มเห็นจะได้มีลมพัดมาอ่อนๆเสียงนกกุก๊กร้องกุก๊กๆุอยู่บนต้นโพที่เรานั่งแอบอยู่นั่นแหละ ฉันสะดุ้งหนาวใจเหลือเกินแต่อยากได้หวยก็ต้องจำทนในครู่นั้นเองเทียนที่จุดไว้แทบจะดับมีลมพัดมาเหมือนเดินเฉียดไปที่กระดาษกับถ้วยขมิ้นกับปูนแล้วเงาวูบมืดๆเนี่ยไม่รู้เห็นเป็นตัวตนหรอกคุณแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันสงบเราทั้งหมดก็ออกจากที่ซ่อนไปเก็บของกลับกันก็เดินคุมหน้าคุมหลังกันพ้นเขตวัดมาพอถึงบ้านก็ดูกระดาษมีรอยนิ้วจิ้มปูนเขียนไว้เป็นหวยเช้าค่ำชัดๆเลยคุณ ฉันกับพวกแทงกันอย่างหนักทีเดียวในวันรุ่งขึ้นแกหยุดดื่มสุราอีกถูกผางเลยใช่ไหมผมผู้สนใจถามดักคอเทมิ่งวางแก้วแล้วก็พยักหน้าพูดกินเรียบอ้าวเสียงนี้เป็นเสียงหลายคนในกลุ่มนั้นร้องขึ้นยังกำนัดกันไว้แล้วก็ฮากันครืนคุณลุงเลยเลิกเล่นหวยเลยใช่ไหมครับผมนั่งอยู่โต๊ะใกล้ๆก็เลยสอดปากถามแกแกหันมาดูผมที่ไหนได้ลงผีหวยมันเข้าแล้วก็เลิกยังไง แกพูดเป็นแต่หยุดมาหลายวันเพราะต่างคนต่างหมดทุนแทงกันหมดตัวนี่ครับผีมันแกล้งเราแกพูดแล้วก็สั่นหัวพลางร้องเรียกเล่าอีกผมนึกสนุกอยากฟังเรื่องต่อๆไปจึงรับจ่ายค่าสุราให้เองแกตอบขอบใจดื่มกรวบเดียวหมดแก้วคุณลุงเลิกนั่งหวยหรือว่ายังไงครับผมถามไม่เลิกหรอกคุณเลิกนั่งก็ไม่รู้จะไปแทงอะไรแกตอบคราวนี้ ฉันกับเพื่อนสองคนนั่นแหละคุณไปลองนั่งทางวัดบางว่าก็วัดอมรินนี่แหละคุณวันนั้นไปดูลู่ทางที่ป่าช้าไว้ตั้งแต่บ่ายแล้วกลับมากินเหล้ากันที่ร้านเจ๊กนอกวัดตั้งใจกันเอาไว้ว่าจะไปที่สารากลางป่าช้าที่มีแต่พื้นกระเบื้องแล้วก็เสากับหลังคาฝาไม่มีโปร่งๆดีใครจะแอบเขียนตัวหวยล้อเราเราก็ ยอมไม่ได้เนาะฉันกับเพื่อนสองคนก็ดวดเล่ากันจนสบายดีแล้วก็เลยเตรียมข้าวของเข้าวัดพอเลี้ยวเข้าตรอกวัดเราก็เห็นคนนำหน้าเราอยู่คนหนึ่งนุ่งผ้าพื้นจงกระเบนห่มผ้าขาวอย่างสกปรกสะพายเฉียงเราเดินตามเข้ามาอย่างเงียบๆไม่พูดอะไรเราไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราจะมานั่งหวยพอถึงทางเลี้ยวเข้าป่าช้าคนเดินหน้าก็เลี้ยวเข้าไปก่อนเราสองคนสะกิดกันฉันกระซิบกับเพื่อนถ้าจะไม่ดีซะแล้วเว้ยแต่นี่คงจะเป็นสับเบอร์ ถ้ารู้แล้วว่าเราจะมานั่งหวยแล้วก็มันคงจะมาทําความราคาญแก่เราอ้าวแล้วอย่างเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงกันล่ะยังไม่รู้จะต้องทํายังไงวะสับ ป, ปะเลอใช่ไหมครับหนุ่มคนแรกถามแทรกขึ้นไม่รู้นะสิคุณเขาเดินไปฉันก็เดินตามทอมมิงตอบแต่เอ๊ะไม่เข้าท่าซะและ้วคนนั้นเดินไปที่ศาลาโล่งนั้นซึ่งเป็นที่หมายของเรามาเกิดเจ้ากันเข้าและ หมอนี่ถ้าจะมาเรื่องหวยเหมือนกันฉันก็ชักจะเกิดลังเลใจแต่เพื่อนก็กระซิบว่าต่างคนต่างนั่งกันก็ไปแล้วกันเขาก็เขาเราก็เราฉันก็เลยเห็นด้วยก็เลยก้าวขึ้นพื้นกระเบื้องปูนแต่ยังไม่ลงมือทำอะไรนั้น นั่งลงเฉยๆก่อนอากาศขมุกขมัวเต็มทีแล้วเสียงเรไรริ่งรีดดังเต็มไปทั่วเพราะว่ามันมีต้นไม้สูงๆยืนต้นเยอะมากมองมืดทืมน่ากลัวชีวิตนักเลงหวยแล้วก็มันอย่างนี้แหละคุณพอมืดทั่วไปทั้งบริเวณฉันกับเพื่อนก็จุดเทียนใหญ่ปักลงกับพื้นสว่างเห็นกันดีนักเลงหวยคนนั้นยังไม่ทําอะไรเดินก้มหน้าวนไปวนมาเดินไปหยุดเสาโน้นทีเส า, านี้ทีจนครบสี่เสาแล้วก็ชำเลืองดูเราสองคน ฉันเองก็อดปากอยู่ไม่ได้ก็เลยพูดกับเขาพอเป็นทางว่าถ้ามีอะไรดีจะขอบ้างจะหวงไหมพิทิศเขาก็นิ่งเฉยยังไม่ยอมตอบมาทันทีฉันก็เลยพูดไปอีกว่าฉันน่ะถูกหวยกินมาซะจนกรอบเพราะได้หวยไม่ค่อยแน่นอนถ้าทิศมีอะไรดีๆแบ่งให้บ้างก็พอจะแก้จนไปได้บ้างคราวนี้ทิศคนนั้นตอบเสียงฮ้่นๆว่าพบอะไรเห็นอะไรคิดออกก็เอาไปไม่หวงหรอกเขาพูดอย่างไม่หันมามองดูเราตอนนั้นไปก็ไม่พูดอะไรอีก เขาก็ลงมือจุดเทียนปักใจกลางของศาลาส่วนเราสองคนยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นเพราะเสียงที่เขาพูดก็เข้าทีที่ว่าพบอะไรเห็นอะไรคิดออกก็เอาไปถ้าจะดีคราวนี้ถ้าได้ไปโดยคิดตกก็ดีกว่าเราจะนั่งเองกระมังเราก็เลยลองนั่งดูเขาทำพิธีเขาก็เดินพนมมือก้าวไปช้าๆเข้าหาเสาทั้งสี่เสาหยุดยืนบ่นพึมพำที่คนเสาอยู่ทุกต้นแล้วก็เป่าลมพรวดเข้าใส่เสานั้นทุกต้นไปเราสองคนรู้สึกว่าพิธีเขาแปลกนะ ครั้นเขาสะกดเสาทั้ง4ต้นแล้วกลับมายืนตรงกลางปักเทียนแล้วก็ดึงผ้าห่มสะพายเฉียงนั้นออกแล้วก็โพกหัวจนดูคล้ายกับแขกฉันนึกออกว่านี่คงเป็นพิธีของแขกครัวที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นพอโพกหัวแล้วเขาก็นั่งขัดสมาธิเงยหน้าบน่นคาถาพึมพำไปหมดเราแปลคาถาเขาไม่ออกหรอกไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างเพราะเสียงอยู่ในลําคอเขาทําพิธีนี้อยู่นานเหลือเกินจนนกแสกบินโผล่เข้ามาหาที่เราแล้วก็บินผ่านไป ร้องเสียงแทกแท๊คเข้าขัวหัวใจทั้งฉันแล้วก็เพื่อนเนี่ยสะดุ้งทั้งตัวตั้งแต่นั่งหวยมาไม่เคยเห็นวิธีนี้และมันช่างรุนแรงจนกลางคืนที่น่ากลัวพลอยมาเข้าพิธีด้วยในครู่นั้นเองเจ้าค้างขาวแม่ไก่ก็บินมาอีกโฉบไปโฉบมาอยู่รอบหัวเขาจนเทียนที่ปักอยู่ตรงหน้าเขาถูกลมปีกวูบวาบแทบจะดับลงพอค้างขาวพละไปเจ้านกแสกก็โผผ่านเข้ามาอีกเสียงร้องกรีดหัวใจแล้วก็หายไปในดงมืด ฉันตั้งสติอดทนเหลือเกินมันเป็นพิธีที่ร้ายกาจที่สุดผู้เข้าพิธียังคงนั่งนิ่งอีกสักครู่แล้วก็ลุกเดินไปที่เสาต้นแรกเป่ามนลงไปอีกแล้วก็เกิดปีนเสาขึ้นไปจนถึงเพดานมืดตื้อหายไปฉันกับเพื่อนมองหน้ากันอย่างตกใจ แต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรและทำอะไรทิศนั่นก็ไต่ลงมาอีกเสาด้านหนึ่งแต่ว่าการไต่เนี่ยมันช่างแปลกประหลาดจนเราสะดุ้งใจเขาไต่โดยเอาหัวลงมาอย่างตุ๊กแกเดือดจิ้งจกแล้วก็วิ่งไปขึ้นอีกเสาหนึง่งแล้วก็หายไปที่เพดานอีกตามเคยฉันกับเพื่อนกระชักกระสับกระสายและ ส, ละสิเกิดสะกิดใจกลัวแต่เราพูดอะไรกันไม่ออกยังไม่รู้ว่าภาพที่เราเห็นมันคืออะไร แต่ในครู่นั้นฉันถึงกับผุดลุกขึ้นยืนเพราะทั้งสี่สานั้นมันมีคนไต่ลงมาพร้อมกันและร้ายที่สุดมันเป็นคนคนเดียวกันทั้งสี่เสาฉันกับเพื่อนได้ยืนขาสั่นในที่สุดเจ้าสี่คนที่เสาก็หายวับไปเหมือนมีใครวิ่งหัวเราะดังกล้องเข้าไปทางดงมืดฉันฉุดมือเพื่อนได้ก็ออกวิ่งสุดกำลังจะโดนอะไรหรือตกอะไรไม่พึงคิดทั้งสิ้นหัวใจมันไม่อยู่กับตัว เราสองคนมาสะดุดถนนอิดล้มลงเสียงคนพูดกันหลายคนเอะอะเงยหน้าขึ้นเห็นพระสี่รูปพร้อมทั้งเด็กตัวโตวสองคนพระก็ไม่ถามอะไรฉุดมือฉันและเพื่อนแล้วท่านก็เดินห้อมล้อมมาจนถึงกุฏิฉันกับเพื่อนสั่นเทาไปทั้งตัวพระแก่รูปหนึ่งมาเป่าขมอมให้สักครู่ก็รู้สึกอบอุ่นพระบางรูปท่านก็ถามเรื่องราวเราพูดกันไม่ออกปากคอมันสั่นไปหมดท่านก็เลยเลิกถามพระรูปหนึ่งบอกให้เราเข้าไปในกุฏิชั้นในเถิด เราทั้งสองตามเข้าไปแล้วจึงรู้ว่าท่านให้เราทั้งสองเนี่ยนอนค้างที่นั่นฉันกับเพื่อนก็คลุมโปงกันอย่างหนาวสัน่นเพิ่งรู้ว่าเรารอดตัวมาได้โดยพระท่านกลับมาจากสวดศพทั้งสี่รูปพร้อมกับศิทธิวัตฉันเล่าเรื่องให้ท่านฟังได้เอาตอนเช้าพระแก่พูดว่าเอา้าโยมก็ได้หวยแล้วนี่ ฉันกับเพื่อนนึกไม่ออกว่าได้หวยตัวอะไรพอลาพระท่านแล้วขากลับก็กลับอีกทางพอพ้นจากวัดก็พบร้านเหล้าที่ดื่มเอาอย่างกระหายพอเล่าเข้าไปอบอุ่นก็นั่งคิดว่าที่พระท่านพูดว่าโยมก็ได้หวยแล้วนั้นหมายถึงอะไรก็เลยคิดออกทันทีว่าคือผ อ, อีผีนั่นเองลุงแทงหรือเปล่าครับผมถามแกแล้วก็ใครๆก็รุมถามแกกันหลายโต๊ะโต๊ะอื่นๆก็ต่างมารุมฟังกันผิดกว่าตอนแรกๆที่นั่งกันคนละโต๊ะ ตอนหลังเนี่ยมายืนล้อมฟังกันแน่นแทงสิคุณผมแทงผีเช้าตัวเดียวไม่เล่นค่ำเลยแกว่าถูกไหมคุณตาคุณหนุม่มคนเดิมถามถูกสิคุณโอ้ยแทบตายกว่าจะถูกแกว่าผมจัดแจงจ่ายค่าเล่าให้แกตามสัญญาแล้วลากลับบ้านรีบบันทึกเหตุการณ์ของนักนั่งหวยมาเล่าให้ฟังดังนี้